เราก็รู้หมดแต่เราอดไม่ได้โลภเรารู้โกรธเรารู้แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเราอาตมาจะบอกนะติดนี่ประเด็นเลยนะประเด็นไปตั้งสู้อา ร, รมาข้อเดียวอาตมาเป็นคนดีที่น่าเกลียดนะเคยเป็นคนดีที่น่าเกลียดชอบระเบียบชอบจัดการ พรเน้นต้องเป็นระเบียบดูเน้นต้องเป็นระเบียบแต่เมื่อเขาไม่เรียบร้อยเราต้องการเราโกรธแล้วตัวเองรู้ไม่โกรธมันไม่ดีรู้แล้วด่าตัวเองทุกวันแต่ก็โกรธพุทธเจ้าบอกว่าเขาโกรธ เ, เราเราโกรธตอบเร า, าเลวเขาด่าเราเราด่าตอบเราเล ว, เ, ลวเขาคิดเล้าต่อเราเราคิดเล่าตอเขาเราเลวพุทธพุทธดบอกเรารู้ไม่รู้แต่มันทำไมอยู่ในเราเอาเนี้เรื่องจริงเลยนะ นี่จะจะเป็นประเด็นที่ทีคุณอาจารย์เทศที่บอกให้ดูอาตมาก็เป็นคนดีอย่างเงี้ยดีดีแต่ว่าดีแล้วทุกมากมากเลยเพราะทุกอย่างไม่สามารถจัดการได้ให้ตามที่เราต้องการอาตมามาจำมาสาที่แพรแสงเทียนปีนั้นมันได้อะไรมากมายปี 3, 5, สามห้าจำมาสาแพรแสงเทียนสัพระ อาจารย์ตักดาตัดสินนะมาประมาจมาตาด้วยกันแล้วก็ถึงเวลาฉันก็ต้องมานั่งรอเวลาอาตมาเป็นเบอร์สองอาจารย์มหาดีเลกอาตมาแล้วก็อาจารย์สุริยาสุภิษจําตราด้วยกันแล้วมีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นครัวตระมาหมา์นะต่างคนต่างมาต่างทิฏต่างมาอยู่ด้วยกันก็เชื่อจเจริ อาสักดาพามาการเป็นพระที่ไม่ไม่คํานึงถึงสังคมนะไม่เหมือนใครใครจะยังไงก็ช่างาเดินเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคือไม่เรียบร้อ ย, อยงไงเดินสะพายบาตดิกุ้งคังกุ้งขังมันแล้วมันดั่งยังไงก็ไม่ลู้สนใจแล้วบางทีจิววอนก็ไม่ซักอาจารย์มหาทีาไ่ไปสอบวันสอบสอบสอ บ, สอบอารมณ์ก็ทํำไมไม่ซักล่ะตักแต่ว่ากินอตักว่าไม่สนใจ ที่จงกรมท่านจะเดินท่านไม่ทําเรียบๆอย่างเขานะท่านตอนเดินการที่ไม่อย่างเงี้ยมันได้สติความรู้สึกตัวดีต้องระวังตัวจะไม่เหมือนไก่แล้วเมื่อเราเราเราเข้ามาในส่วนรวมมานั่งมานั่งรออย่างเงี้ยมันมนอรอแล้วท่านจะเดินสะพาบาดมาลรโกรธทุกทีเลยโกรธเราโกรธไงโกรธแล้วดูไม่เรียบร้อยในในในทางนี้นะทางทางนักงทางนอกนั่งเฉยแต่ว่านายมันเอาะ ไม่สังรวมทํำไม่ยอมเสื่อมทรัพยาเราก็ด่ามันเรื่องอะไรของแกวะเนี่ยนี่นะมันเรื่องอะไรของแกวะเนี่ยไม่โกรธเขาโกรธนี่มันพุทธเจ้าว่าเออเขาด่าเราเราตอบเราเร็วเขาทำร้ายเราเราทำเราตอบเรเร็วเขากดเราเรากดตอบเรเร็วเขาไม่ได้ทําอะไรแกแกนั่งอยู่เนี่ยแกเร็วเร็วเร็วทุกวันยเนี่ยตมาตั้งตั้งตั้งใจสู้เลยนะ นี่โยมต้องต้องนี่จะกลับไปเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาประเด็นที่อาจารย์เทศไปนี่จะเติมไหมนะจะบอกเห็นโทษความโกรธแต่เราเห็นมันอยู่แต่มันออกไม่ได้ไงจิตมันไม่เป็นไงนะตรงนี้นะดูจะจ ะ, จะเชื่อมธรรมาอาตมาจะนั่งดูทุกวันเลยเอาละตั้งท่าเลยนะว่าจุดอ่อนของเราไงเราโกรธไงเราจะต้องจ้องมันมันจะออกตอนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยเราก็นึกในใ จ, จนั่งด้วยเยวสังเกตเขาไงสังเกตนะ เดี๋ยวเจเมาแกโกรธอีกแล้วเนี่ยนั่งรอนั่งรอเลยอ า, อเยารเนี่ยอตมาทำอย่างนี้จริงๆนะมาพมา เ, อ, มาเอาละโกรธแล้วพอเขมาโกรธแล้ ว, ล ว, าาลวทุกวั น, นวันหนึ่งมันไม่โกรธอะทําไงโยมเอ้ามาแล้วไม่โกรธนะไม่โกรธเลยเอ้ยจากนั้นฉันไม่ปฏิคะกับพระองค์นี้เลยนะผู้ใดเห็นด้วยปัญญางที่โยคุณอาจารย์นะโยม อย่าอย่าไปอย่าไปเรียบร้อนว่าเอ๊ะทำไมทําไมที่ท่านพูดแล้วเนี่ยพูดถูกหมดแต่ว่าเราทําไมอดไม่ได้เรายังเหมือนกับที่ว่าดูแล้วหนังสือยังจำไม่ได้ทนหน่อยย้อมดูตรงนี้อย่าทิ้งอย่าอย่าอย่าลักทิ้งย้อมจุดอ่อนตรงไหนยอมไปดูนะไปดูจุดอ่อนตัวเองเราเป็นคนที่โกรธพยายามจ้องดูมันโกรธกันมั้งโกรธกัน แ, แต่ต้องลงโทษตะเลาะ ก, กับตัวเราด่าตัวเราเองด่าในใจมึงโกรธมึงก็เลี้วเนี่ย มันก็นั่งดาดาด่ามันดาด า, ด า, ด า, ดานี่ตั้มิตัวเองในใจพระพุทธเจ้าสอนไงเราขี้อิจฉาล้วก็ อ, อิจฉาเลยนะเนี้ยมองตัวเองถ้าอย่างนี้แล้วก็จะได้พบคำตอบที่ท่านอาจารย์ท่านเทศจะเข้าใจทุกอย่างเลยนะผู้ใดเห็นด้วยปัญญาใช่ไหมตรงกันหมดนะแต่ว่า มันไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราเราเราไม่ได้ดูอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าต้องดูบ่อยๆดูจนจําได้ภาวนาคือมันเกิดมาในใจภาวนามันมีไงคําว่าภาวนาคือมันจําได้อาภาวนาภาวนาะฮะภาวนาบทไหนอะนโมตะสะเอาเลยเนี่ยเอาสิได้ไหมต้อ ง, องนโมตะสะสิเนี่ยไม่ไม่ต้องนั่นเลยได้เลยเนี่ยมันมีภาวนาไงนี่ยไง มันเป็นเลยไม่ไม่ต้องพูดเพราะเอาอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดเลยน่เดียวนะพอพใครความไหมนโมตตะว่าโตเอาโยบต่อได้เลยมันภาวนาไงมันเป็นไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาจะทําไม่ได้โยไม่ต้องกลัวเพราะอังกรนะเห็นโทษมันเห็นโทษเห็นโทษอย่างเจ้าจารว่าแต่ดูว่าต่อไปเพื่อเราเราต้องทำตรงนี้แล้วความโกรธทําอะไรเราไม่ได้ยังไงโล่ทําอะไรไม่ได้มันแพ้เรา แน่นอนนะกระดรอโชคดี